อนาปฏิวานพิกษุนีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ777 1. ริบเพิคสุนีนำกับปิยภัณฑ์ที่เหลือไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น2อพิกษุนีขออนุญาตเจ้าของก่อนจึงนำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 3. าพิกษุนีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ีพิกษุนีวิกฤจริต5้พิกษุนีต้นบัญญัติสิขาบทที่9จบ